ภาคที่สองเริ่มแต่ออกผนวดแล้วเที่ยวสอดแสวงหาความรู้ทรมานพระองค์จนถึงตรัสรู้เสด็จสำนักอาลาระดาบทเรานั้นครั้นบวชอย่างนี้แล้วสแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า ได้เข้าไปหาอาลาระดาบทผู้กาลามะโครถึงที่สานักแล้วกล่าวว่าท่านกาลามะเราอยากประพฤติประมาจันในธรรมวินัยนี้ด้วยราชากุมารครั้งเรากล่าวดังนี้แล้วอาลาระดาบทผู้กาลามะโครได้ตอบว่าอยู่เธอท่านผู้มีอายุธรรมนี้เป็นเช่นนี้เช่นนี้ ถ้าบุรุษเข้าใจความแล้วไม่นานเลยคงทำให้แจ้งบรรลุได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองทั่วถึงลัทธิของอาจารย์ตนราชาุมารเราเล่าเรียนทำนั้นได้ฉับไวไม่นานเลยราชาุมารเรานั้นกล่าวได้ทั้งยานาวาาและเทรวะาโดยอาการมาดว่าท่องด้วยปาก และด้วยเวลาชั่วที่เจรจ า, าตอบตลอดการเท่านั้นอันหนึ่งเราและสิทธ์อื่นๆปฏิญญาได้ว่าเรารู้เราเห็นดังนี้ราชากุมารความรู้สึกเกิดขึ้นแก่เราว่าอาลาระผู้กาลมโครประกาศให้ผู้อื่นทราบว่าเราทำให้แจ้งทมนี้ โดยปัญญาอันยิ่งเองแล้วแลอยู่โดยคุณสักว่าศรัทธาอย่างเดียวก็หามิได้ที่แท้อาลาระผู้กาลมโคดคงรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งธรรมนี้เป็นแน่ราชากุมารครั้งนั้นเราเข้าไปหาอาลาระผู้กาลมโคดถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่า ท่านกาลามะท่านทำให้แจ้งทำนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วและประกาศได้เพียงเท่าไรหนอครั้นเรากล่าวอย่างนี้อาราละผู้กาลามโคดได้ประกาศให้รู้ถึงอากินจัญญายตนะแล้วราชาุมารความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าศรัทธาวิริยะสติ สมาธิปัญญาจะมีแต่ของอาลาระผู้กาลามโครผู้เดียวก็หาไม่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเราก็มีอยู่อย่างไรก็ตามเราจะตั้งความเพียรทำให้แจ้งทำที่ท่านกาลามะประกาศไว้แล้วว่าเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว และอยู่ดังนี้ให้จงได้ราชกุมารเราได้บรรลุทาให้แจ้งทานั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองฉับไวไม่นานเลยราชกุมารครั้งนั้นเราเข้าไปหาอาลาระผู้กาลมโครถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่ามีเท่านี้หรือที่ท่านบรรลุถึง ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศแก่ผู้อื่นอยู่เท่านี้เองผู้มีอายุที่เราบรรลุถึงทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศแก่ผู้อื่นอยู่ท่านกาลามะแม้เราก็บรรลุทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองถึงเพียงนั้นเหมือนกันราชากุมาร อารารัผู้กละมะโคดได้กล่าวกเราวะ่าลาบของเราแล้วท่านผู้มีอายุเราได้ดีแล้วท่านผู้มีอายุมีเสียแรงที่ได้พบเพื่อนร่วมพระมาจรรันเช่นกับท่านผู้ทำให้แจ้งธรรมที่เรารู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแม้เราก็ทำให้แจ้งธรรมที่ท่านทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองนั้น อย่างเดียวกันเรารู้ทำใดท่านรู้ทำนั้นท่านรู้ทำใดเรารู้ทำนั้นเราเป็นเช่นใดท่านเป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดเราเป็นเช่นนั้นมาเถิดท่านผู้มีอายุเราสองคนด้วยกันจกช่วยกันปกครองคณะนี้ต่อไปราชากุมาร อาลาระกาลมโคดผู้เป็นอาจารย์ของเราได้ตั้งเราผู้เป็นศิษย์ให้เสมอด้วยตนแล้วได้บูชาเราด้วยการบูชาอย่างยิ่งราชกุมารเมื่อเราได้เสมอด้วยอาจารย์ได้การบูชาที่ยิ่งดังนั้นได้เกิดความรู้สึกนี้ว่าก็ทํานี้จะเป็นไปพร้อมเพื่อเบื่อนายเพื่อคลายกำหนัด เพื่อระงับเพื่อสงบเพื่อรู้ยิ่งเพื่อรู้พร้อมเพื่อนิพพานก็หาไม่แต่เป็นไปพร้อมเพียงเพื่อการบังเกิดในอากินจัญญายตนะภพเท่านั้นเองราชากุมารทาคตเมื่อเห็นโทษในสมาบัติทั้งเจจึงไม่พอใจเบื่อจากทำนั้นลีกไปเสีย เสด็จสำนักอุทกดาบทราชากุมานเรานั้นแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งกว่าได้เข้าไปหาอุทกดาบทผู้รามุบทถึงที่สำนักแล้วกล่าวว่าท่านรามะเราอยากประพฤติพรมจันยร์ ในทมวินัยนี้ด้วยราชกุมารครั้นกล่าวดังนี้ท่านอุทกะผู้รามบุตรได้กล่าวตอบว่าอยู่เถิดท่านผู้มีอายุทำนี้เป็นเช่นนี้เช่นนี้ถ้าบุุษเข้าใจความแล้วไม่นานเลยคงทำให้แจ้งบรรลุได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองทั่วถึงลทัทธิ ของอาจารย์ตนราชากุมารเราเล่าเรียนทานั้นได้ฉับไวไม่นานเลยราชากุมารเรากล่าวได้ทั้งยานวาดและเทรวา ด, ด้วยอาการมาดว่าท้องด้วยปากด้วยเวลาชั่วที่เจรจาตอบตลอดการเท่านั้นอันหนึ่งเราและสิทธิ์อื่นปฏิญญาไดว้ว่า เรารู้เราเห็นดังนี้ราชกุมารความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าอุทกะรามาบรได้ประกาศว่าเราทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วแล่อยู่ด้วยคุณศักว่ศรัทธาอย่างเดียวก็หาไม่ได้ที่แท้อุทกะผู้รามาบรคงรู้อยู่เห็นอยู่ ซึ่งทมนี้เป็นแน่ราชกุมารครั้งนั้นเราเข้าไปหาอุทกะผู้รามบุตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าท่านรามะท่านทำทำนี้ให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วและประกาศได้เพียงเท่าไรหนอครั้งเรากล่าวอย่างนี้อุทกะรามบุตรได้ประกาศให้รู้ถึง เนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วราชากุมารความรู้สึกได้เกิดขึ้นแกเราว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจะมีแต่ของอุตกะรามบุตรผู้เดียวก็หาไม่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเราก็มีอยู่ อย่างไรก็ตามเราจะตั้งความเพียรทำให้แจ้งทำที่ท่านรามาประกาศไว้แล้วว่าเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วและอยู่ดังนี้ให้จงได้ราชากุมารเราได้บรรลุทำให้แจ้งซึ่งทำนั้นโดยปัญญาอันยิ่งเองฉับไวไม่นานเลย ราชกุมารครั้งนั้นเราเข้าไปหาอุทกะผู้รามบุตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่ามีเท่านี้หรือที่ท่านบรรลุถึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วประกาศแก่ผู้อื่นอยู่เท่านี้เองผู้มีอายุที่เราบรรลุถึงทำให้แจ้งแล้วประกาศแก่ผู้อื่น ท่านรามะถึงเราก็ได้บรรลุทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเท่านั้นเหมือนกันราชากุมานอุตกาะผู้รามุตทได้กล่าวกราวะ่าลาบของเราแล้วท่านผู้มีอายุเราได้ดีแล้วท่านผู้มีอายุมีเสียแรงที่ได้พบเพื่อนร่วมพรหมจันทร์เช่นกับท่าน ผู้ทำให้แจ้งธรรมที่รามะรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแม้รามะก็ทำให้แจ้งธรรมที่ท่านทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองนั้นอย่างเดียวกันรามะรู้ทั่วถึงธรรมใดท่านรู้ธรรมนั้นท่านรู้ธรรมใดรามะรู้ทั่วถึงธรรมนั้นรามะเป็นเช่นใดท่านเป็นเช่นนั้น ท่านเป็นเช่นใดรามะเป็นเช่นนั้นมาเถิดท่านผู้มีอายุท่านจงปกครองคณะนี้ต่อไปราชากุมารอุตกะรามบุตรเมื่อเป็นสัพรมจารีต่อเราก็ได้ตั้งเราไว้ในฐานะแห่งอาจารย์นั่นเทียวได้บูชาเราด้วยการบูชาอันยิ่งราชากุมาร เมื่อเราได้เสมอด้วยอาจารย์ได้การบูชาที่ยิ่งดังนั้นได้เกิดความรู้สึกนี้ว่าทำนี้จะได้เป็นไปพร้อมเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกําหนัดเพื่อระงับเพื่อสงบเพื่อรู้ยิ่งเพื่อรู้พร้อมเพื่อนิพานก็หาไม่แต่เป็นไปพร้อม เพียงเพื่อการบังเกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนาภพเท่านั้นเองราชกุมารตถาคตเมื่อเห็นโทษในสมาบัติทั้ง8จึงไม่พอใจในธรรมนั้นเบื่อหนายจากธรรมนั้นหลีกไปเสียเสด็จไปอุรุเวลาเสนานิคมราชกุมารเรานั้น เมื่อหลีกไปจากสำนักอุทกะผู้รามาบทแล้วสแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติอันไม่มีอื่นยิ่งกว่าเที่ยวจาริกไปตามลำดับลาให้ตำบลในมคตรัฐจนบรรลุถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมพักแรมอยู่ณตำบล น, นั้นณที่นั้น เราได้พบภาคพื้นรมนียสถานมีชักป่าเยือกเย็นแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจมีบ้านสำหรับโคจรตั้งอยู่โดยรอบราชกุมาเราได้เห็นแล้วเกิดความรู้สึกว่าภูมิภาคนี้ หน้าเรื่องรมจริงชักป่าเยือกเย็นแม่น้ำไหลใสเย็นจึดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลินใจทั้งที่โคจรก็ตั้งอยู่เดิรอบที่นี้สมควรเพื่อจะตั้งความเพียรของกุลบุตรผู้ต้องการด้วยความเพียรดังนี้ราชกุมาน เรานั่งพักอยู่ณนะตำบนนั่นเองโดยคิดว่าที่นี้สมควรแล้วเพื่อการตั้งความเพียรดังนี้ทรงประพฤติอตะกิละมะามัทนโยกคือวัดของเดร ถ, ถีสารีบุตรเราตถาคตรู้เฉพาะซึ่งพรหมจันทร์อันประกอบด้วยองค์สี่ที่ประพฤติแล้ว ตปสีวัดเราก็ได้ประพฤติอย่างยิ่งลูกขวัดเราก็ได้ประพฤติอย่างยิ่งเชคุชิวัดเราก็ได้ประพฤติอย่างยิ่งปวิวิตตวัดเราก็ได้ประพฤติอย่างยิ่งในวัดสี่อย่างนั้นนี้เป็นตปสีวัดในวงเล็บเปิดวัดเพื่อมีตบะบะวงเล็บปิดของเรา คือเราได้ประพฤติเปลือยกายมีมารยาทอันปล่อยทิ้งเสียแล้วเป็นผู้ประพฤติเช็ดอุจจาระของตนด้วยมือถือเป็นผู้ไม่รับอาหารที่เขาร้องเชิญว่าท่านผู้เริญจงมาไม่รับอาหารที่เขาร้องนิมนต์ว่าท่านผู้เริญจงหยุดก่อนไม่ยินดีในอาหารที่เขานำมาจำเพาะ ไม่ยินดีในอาหารที่เขาทำอุทิศเจาะจงไม่ยินดีในอาหารที่เขาร้องนิมนต์เราไม่รับอาหารจากปากหมอ้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคร่มธรณีประตูไม่รับอาหารคร่มท่อนไม้ไม่รับอาหารคร่ ม, มราารรสาบไม่รับอาหารของชนสองคนผู้บริโภคอยู่ ไม่รับอาหารของหญิงมีคันไม่รับอาหารของหญิงที่กำลังให้บดดื่มนมอยู่ไม่รับอาหารของหญิงผู้ไปในระหว่างแห่งบุรุษไม่รับอาหารในอาหารที่มนุษย์ชักชวนร่วมกันทำไม่รับอาหารในที่ที่มีสุนัขเข้าไปยืนเฝ้าอยู่ไม่รับอาหาร ในที่ที่เห็นมแมลงวันบินไปเป็นหมู่เป็นหมู่ไม่รับปลาไม่รับเนื้อไม่รับสุราไม่รับเมรยัยไม่ดื่มน้ำอันดองด้วยกแกลบบเรารับเรือนเดียวฉันคำเดียวบ้างรับสองเรือนฉันสองคำบ้างรับสามเรือนฉันสามคำบ้างรับสี่เรือนฉันสี่คำบ้าง รับห้าเรือนชั้นห้าคำบ้างรับหกเรือนชั้นหกําบ้างรับเจดเรือนชั้นเจ็ําบ้าง <_: i> เราเลี้ยงร่างกายด้วยอาหารในภาชนะน Important ้อยๆภาชนะเดียวบ้าง <_: i> เลี้ยงร่างกายด้วยอาหารในภาชนะน้อยๆสองภาชนะบ้างสภาชนะบ้ <i> างสภาชนะบ <_: i> ้าง <_: i> 5. ภาชนะบ้าง6ภาชนะบ้างเภาชนะบ้างเราฉันอาหารที่เก็บไว้วันเดียวบ้างฉันอาหารที่เก็บไว้สองวันบ้างฉันอาหารที่เก็บไว้3วันบ้าง4ี่วันบ้าง5วันบ้าง6วันบ้างฉันอาหารที่เก็บไว้7วันบ้าง เราประกอบความเพียรในพัดและโฟชนะมีปริยาอย่างนี้จนถึงกึ่งเดือนด้วยอาการอย่างนี้เรานั้นมีผักเป็นพักษาบ้างมีสารแห่งหญ้ากับแกเป็นพักษาบ้างมีลูกเดือยเป็นพักษาบ้างมีเปลือกไม้เป็นพักษาบ้างมีสาหร่ายเป็นพักษาบ้าง มีรำข้าวเป็นพักษาบ้างมีข้าวตังเป็นพักษาบ้างมีข้าวสารหักเป็นพักษาบ้างมีหญ้าเป็นพักษาบ้างมีโคมคือขี้วัวเป็นพักษาบ้างมีผลไม้และรากไม้ในป่าเป็นอาหารบ้างบริโภครลไม้อันเป็นไปคือหล่นเอง ยังชีวิตให้เป็นไปบ้างเรานั้นนุ่งห่มด้วยผ้าป่านบ้างนุ่งห่มผ้าเจือกันบ้างนุ่งห่มผ้าที่เขาทิ้งไว้กับซากศพ บ, บ้างนุ่งห่มผ้ากลุกฝุ่นบ้างนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้บ้างนุ่งห่มหนังอชินะบ้างนุ่งห่มหนังอชินะทั้งเล็บบ้างนุ่งห่มแผ่นหญ้าคากรองบ้าง นุ่งห่มแผ่นบอกรองบ้างนุ่งห่มแผ่นกระดานกรองบ้างนุ่งห่มผ้ากำพลผมขนบ้างนุ่งห่มผ้ากำพลทำด้วยขนหางสัตว์บ้างนุ่งห่มปีกนกเขาบ้างเราตัดผมและหนวดประกอบตามซึ่งความเพียรในการตัดผมและหนวดเราเป็นผู้ยืนกระโยง ห้ามเสียซึ่งการนั่งเป็นผู้เดินกระโยงประกอบตามซึ่งความเพียรในการเดินกระโยงบ้างเราประกอบการยืนบนหนามสาเร็จการนอนบนที่นอนทําด้วยหนามเราประกอบซึ่งความเพียรในการลงสู่น้ําเวลาเย็นเป็นครั้งที่สบ้างเราประกอบตามซึ่งความเพียรในการทํากิเลสในกายให้เหือดแห้ง ด้วยวิธีต่างๆเช่นนี้ด้วยอาการอย่างนี้สารีบุตรนี่แลเป็นวัดเพื่อความเป็นผู้มีตบะของเราสารีบุตรในวัด4ี่อย่างนั้นนี้เป็นลูกวัดวงล็เปิดวัดในการเศร้าหมองวงเล็ปิดของเราคือทุลีเกล็ดกลังแล้วที่กาย สิ้นปีเป็นอันมากเกิดเป็นสะเก็ขึ้นสารีบุตรเปรียบเหมือนต่อตะโกนานปีมีสะเก็ขึ้นแล้วชั้นใดก็ฉันนั้นทุลีเกิดกลางแล้วที่กายสิ้นปีเป็นอันมากจนเกิดเป็นสะเก็ขึ้นสารีบุตรความคิดนึกว่าโอหนอเราพึงรูปทุลีนี้ออกเสียด้วยฝ่ามือเถิด ดังนี้ไม่มีแก่เราแม้ความคิดนึกว่าก็หรือชนเหล่าอื่นพึงรูปทุลีนี้ออกเสียด้วยฝ่ามือเถิดดังนี้ก็ไม่ได้มีแก่เราดูก่อนสารีบุตรนี้แลเป็นวัดในความเป็นผู้เศร้าหมองของเราสารีบุตรในวัดสี่อย่างนั้นนี้เป็นเชคุชิวัด วงเล็บเปิดวัดในความเป็นผู้รังเกียจวงเล็บปิดของเราคือดูก่อนสารีบุตรเรานั้นมีสติก้าวขาไปมีสติก้าวขากลับโดยอาการเท่าที่ความเอนดูอ่อนโยนของเราพึงบังเกิดขึ้นแม้ในหยาดแห่งน้ำว่าเราอย่าทำสัตว์น้อยๆทั้งหลาย ที่มีคติไม่เสมอกันให้ลำบากเลยสารีบุตรนี่แลเป็นวัดในความเป็นผู้รังเกียจของเราสารีบุตรในวัดสี่อย่างนั้นนี้เป็นปวิวิตตวัดวงเล็บเปิดวัดในความเป็นผู้สงัดทั่วแล้ววงเล็บปิดของเราคือดูก่อนสารีบุตร เรานั้นเข้าสู่ราวป่าแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วแลวอยู่เมื่อเห็นคนเลี้ยงโครหรือคนเลี้ยงปศุสัตว์หรือคนเกี่ยวหญ้าหรือคนหาไม้หรือคนทำงานในป่ามาเราก็รีบลัดเลาะจากป่านี้ไปป่าโนนจากรกชัดนี้สู่รกชัดโนนจากลุ่มนี้สู่ลุ่มโนน จากดอนนี้สู่ดอนโนนเพราะเหตุคิดว่าขอคนพวกนั้นอย่าเห็นเราเลยแล้วเราก็อย่าได้เห็นชนพวกนั้นสารีบุตรเปรียบเหมือนเนื้ออันอยู่ในป่าเห็นมนุษย์แล้วย่อมลัดเลาะจากป่านี้สู่ป่านโนนจากรกชัดนี้สู่รกชัดโนนจากลุ่มนี้สู่ลุ่มโนนจากดอนนี้ สู่ดอนโนนชั้นใดก็ชั้นนั้นที่เราเมื่อเห็นคนเลี้ยงโครหรือคนเลี้ยงปศุสัตว์หรือคนเกี่ยวหญ้าคนหาไม้คนทํางานในป่ามาก็รีบรัดเลาะจากป่านี้สู่ป่านโน้นจากรกชัทนี้สู่รกชัทนโนนจากลุ่มนี้สู่ลุ่มโนนจากดอนนี้สู่ดอนโน้น ด้วยหวังว่าคนพวกนี้อย่าเห็นเราเลยและเราก็อย่าได้เห็นคนพวกนั้นสาริบุตรน้แลเป็นวัดในความเป็นผู้สงัดทั่วของเราสาริบุตรเรานั้นโคเหล่าใดออกจากคอกหาคนเลี้ยงมีได้เราก็คลานเข้าไปในที่นั้น ถือเอาโคไมของลูกโคน้อยที่ยังดื่มนมแม่เป็นอาหารสารีบุตรมูดและกรีดคือปัสสาวะและอุจจาระของตนเองยังไม่หมดเพียงใดเราก็ถือมูดและกรีดนั้นเป็นอาหารตลอดการเพียงนั้นดูก่อนสารีบุตรนี้แล เป็นวัดในมหาวิกตะโฟชนวัดของเราสารีบุตรเราแลเข้าไปสู่ชักแห่งป่าหน้าสปพรึงกลัวแห่งได้แห่งหนึ่งแล้วแลอยู่เพราะชักแห่งป่านั้นกระทำซึ่งความกลัวเป็นเหตุผู้ที่มีสันดานยังไม่ปราศจากราคะเข้าไปสู่ชักป่านั้นแล้วโลมาชาต ย่อมชูชันโดยมากสารบุตรเรานั้นในราตรีทั้งหลายอันมีในฤดูหนาวระหว่างแปดวันเป็นสมัยที่ตกแห่งหิมะอันเยือกเย็นกลางคืนเราอยู่ที่กลางแจ้งกลางวันเราอยู่ในชักแห่งป่าครั้นถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนกลางวันเราอยู่ในที่แจ้ง กลางคืนเราอยู่ในป่าสารีบุตรคาถาหน้าเศร้านี้อันเราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนมาแจ้งแกเราว่าเรานั้นแห้งคือร้อนแล้วผู้เดียวเปียกแล้วผู้เดียวอยู่ในป่าหน้าสะพึงกลัวแต่ผู้เดียวเป็นผู้มีกายอันเปลือยเปล่าไม่ผิงไฟ เป็นมุนีขวนขวายแสวงหาความบริสุทธิ์ดังนี้สารีบุตรเรานั้นนอนในป่าชา้าทับกระดูกแห่งซากศพทั้งหลายฝูงเด็กเลี้ยงโคเข้ามาใกล้เราโหร้องใส่หูเราบ้างถ่ายมูดรถบ้างสัดฝุ่นใส่บ้างเอาไม้แหลมๆทิ่มช่องหูบ้างสารีบุตร เราไม่รู้สึกซึ่งจิตอันเป็นบาปต่อเด็กเลี้ยงโคทั้งหลายเหล่านั้นแม้ด้วยการทำความคิดนึกให้เกิดขึ้นสารีบุตรนี้เป็นวัดในการอยู่อุเบกขาของเราสารีบุตรสมณพราหม์บางพวกมักกล่าวมักเห็นอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะอาหาร สมณพราหม์พวกนั้นกล่าวกันว่าพวกเราจงเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปด้วยผลกระเบาทั้งหลายเถิดสมณพราหม์เหล่านั้นจึงเคี้ยวกินผลกระเบืบ้างเคี้ยกินกระเบาตอาตำผงบ้างดื่มน้ำคั้นจากผลกระเบาบ้างย่อมบริโภคผลกระเบื้องอันทำให้แปลกๆมีอย่างต่างๆบ้างสาริบุตร เราก็ได้ใช้กระเบาฝนหนึ่งเป็นอาหารสารีบุตรคำล่ำลืออาจมีแก่เธอว่าผลกระเบาในครั้งนั้นใหญ่มากข้อนี้เธออย่าได้เห็นอย่างนั้นผลกระเบาในครั้งนั้นก็โตเท่านี้เป็นอย่างยิ่งเหมือนในครั้งนี้เหมือนกันสารีบุตรเมื่อเราฉันกระเบาฝนเดียวเป็นอาหาร ร่างกายได้ถึงความสู้้อมอย่างยิ่งเถาวันอาสีติกบันหรือเถากาลบันมีสันฐานเช่นไรอวัยวะน้อยใหญ่ของเราก็เป็นเช่นนั้นเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยรอยเท้าอูดมีสันฐานเช่นไรรอยตะโพกนั่งทับของเราก็มีสันฐานเช่นนั้นเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อย เทวตะนาวลีมีสันฐานเช่นไรกระดูกสันหลังของเราก็เป็นข้อเป็นข้อมีสันฐานเช่นนั้นเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยกรอนแห่งศาลาที่คล่ำคร่าเกกะมีสันฐานเช่นไรซี่โครงของเราก็เกกะมีสันฐานเช่นนั้นเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อย ดวงดาวที่ปรากฏในน้ำในบ่อน้ำอันลึกปรากฏอยู่ลึกฉันใดดวงดาวคือลูกตาของเราปรากฏอยู่ลึกในเบ้าตาฉันนั้นเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยน้ำเต้าที่เขาตัดแต่ยังอ่อนครันถูกลมและแดดย่อมเหี่ยวยุย่ยี่มีสันฐานเช่นไร หนังศีรษะแห่งเราก็เหี่ยวยู่ยี่มีสันฐานเช่นนั้นเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยสารบุตรเราตั้งใจว่ารูปท้องก็รูป ก, กระดูกสันหลังด้วยตั้งใจว่ารูป ก, กระดูกสันหลังก็รูปถูกท้องด้วยสารบุตรหนังท้องกับกระดูกสันหลังของเราชิดสนิทกัน เพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยสารีบุตรเราเมื่อคิดว่าจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ล้มพับอยู่ตรงนั้นเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยสารีบุตรเราเมื่อจะบรรเทาซึ่งกายนั้นให้มีความสุขบ้างจึงรูปตัวด้วยฝ่ามือเมื่อเรารูปตัวด้วยฝ่ามือ คนที่มีรากเน่าแล้วได้หลุดออกจากกายร่วงไปเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อย